Saranam g a h a ครพิจารณากันถ้าคนที่ไม่พิจารณาธรรมะเราก็จะไม่รู้ว่าธรรมะจะมีประโยชน์อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีความยินดีอันใดที่จะยิ่งกว่าความยินดีในธรรมเพราะความยินดีอย่างอื่นที่สุดเราก็จะเบื่อมันอีกเมื่อซ้ำๆบ่อยๆได้มาก็ไม่รู้สึกว่ามันจะ วิเศษตรงไหนแต่ความยินดีในธรรมเป็นความยินดีในสิ่งที่ทมให้ชีวิตจิตของคนนั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์และก็มีธรรมรักษาไว้ ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอาจจะมาไม่สงสัยแล้วละ ว, ว่าทำไมบรรดาเหล่าพระอระหันต์ท่านจึงไม่ยินดีในโลกใบนี้ทั้งที่มนุษย์ยังหลงกันอยู่สัตว์โลกยัง เยอะแย่งกันอยู่แต่ทำไมท่านพยายามละแล้วก็วางสิ่งเหล่านั้นเสียดโยมไม่สงสัยบ้างหรือนั่นเป็นเพราะว่าท่านกำหนดเข้าถึงสัจจะในปรมัติธรรมแล้ว แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าสิ่งใดจะสําคัญเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์แล้วแตมาบอกคํานี้สุดยอดเลยบริสุทธิ์มันยิ่งกว่าแสงสว่างยิ่งกว่าความนุ่มนวล น, นิ่มนวลยิ่งกว่าความละมุนละม่อมละ ม, มละไมมันยิ่งกว่า สิ่งใดๆในโลกาจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์วิสุทธิบริสุทธิ์ทำอย่างไรเราเป็นนักปฏิบัติจะถึงความบริสุทธิ์แห่งจิต แต่บรรดาเหล่าพระอระหันต์ที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านจึงไม่เห็นว่าสิ่งใดที่ต้องสแสวงหายิ่งกว่าสิ่งที่ท่านมีแล้วก็เป็นอันว่าท่านได้สิ่งที่เลิศประเสริฐ จึงไม่เห็นว่าสิ่งไหนที่ท่านต้องขนขวายยิ่งกว่าและโดยเฉพาะสิ่งนี้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟเผ า, าไฟก็ไม่ไหม้โจรขโมยก็ไม่ได้พายุพัดให้พังทลายก็ไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่า เป็นคุณธรรมความเป็นมนุษย์อันสูงสุดแห่งการได้บรรลุจบเล ย, ยคุณธรรมที่สูงสุดแห่งการบรรลุเมื่อก่อนธรรมมาเคยสงสัยว่าจริงหรือคนจะหมดความอยาก คนจะหมดจากการเยือแย่งคนไม่มีคำว่าความหลงไหลติดอยู่ในรูปนามเป็นไปได้หรือพระธมรเคยยกบอกใครไม่ชอบรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆรสอาหารที่ อ, อร่อยที่อยู่ที่นั่งที่นอนอันสะดวกสบายนุ่มนวล มันก็ชวนนะชวนให้พวกเราเติดอยู่กับสิ่งนั้นและใครไม่ชอบความสบายจะมารู้แต่มีบรรดาผู้ที่เดินออกจากสิ่งที่อาตมากล่าวไว้ว่าท่านเป็นผู้ไม่ยินดีในรูปกาย ไม่ยินดีในสุขทุกข์ที่ยึดมั่นติดอยู่จิ้งหรือจะมายังไม่เชื่อและทำยังไงไม่เชื่อแต่เราอย่าตัดสินด้วยใจตัวเองเราจะต้องตัดสินด้วยธรรมที่เป็น ก, นกลาง แล้วก็ดูว่าทางที่ท่านเดินท่านเลือกทางแบบไหนสุดท้ายท่านไม่เลือกวัตถุอันเป็นเส้นทางที่จะสู่ความสำเร็จแต่ท่านเดินไปสู่แนวทางปฏิบัติสู่จิตที่บริสุทธิ์ สุธิอสุธิปัจจัตตังนันโยอันยังวิโซไทยเย ว, วความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มันเป็นของเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งมาทำแทนกันไม่ได้มันเป็นของคนนั้นที่ทำแล้วทำไมท่านจึงไม่เลือกวัตถุ ก็เพราะท่านรู้ไงถรมรู้อะไรท่านรู้ในอริยสัจก่อนท่านรู้ในอริยสัจความจริงความประพฤติความเกิดและความพัดพรกท่านรู้หมดบุคคลเหล่านั้นไม่ร่ำไรราพันแปลกไหม มีหรือว่าคนไม่ร่ำรไรรำพันกับชีวิตคนนี้คนนั่นคนโน้แต่มีจริงหรือว่ามีผู้หมดความโลภมีจริงหรือว่ามีผู้ไม่โกรธมีจริงหรือเป็นผู้ที่ ไม่มีความพยายามผูกใจเจ็บสุดท้ายก็ยังมีอีกโยมจำได้ไหมสูตที่ท่มาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่ามีพระพิสุอยู่รูปนะ่ท่านปรารถนาที่จะจะริกไปที่เว่นแคว้นนิคมน้อยใหญ่ก็มากราบทูลลาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิสุถ้าเธอจะไปจากที่นี่แล้วมีคนเขาด่าเธอจะทำอย่างไรท่านบอกดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าดีกว่าเราฆ่าตัวเองคำเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีเวรอเวเรนะจะส ม, มันติ เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรสุดยอดไม่ใช่จิตธรรมดานะเขาทำให้เจ็บแต่ใจไม่เจ็บเออเหลือเชื่อมิหนาจิตมนุษย์ ที่สูงสุดขึ้นไปละได้จริงจริงละได้จริงจริงเพราะท่านไม่ยินดีในโลกิยะคำนี้มีจริงหรือสงสัยอาตจจมาเป็นนักสงสัยนักสงสัยต้องรู้จักค้นคว้า นักอ่านก็ต้องสแสวงหาธรรมรานักปฏิบัติก็ต้องค้นหาภาวะหรือสภาพธรรมที่มีอยู่อย่างไรเกิดอย่างไรปรากฏอย่างไรตั้งอย่างไรแปรปรวนแบบใดเออเรา ต้องทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ในขั้นระดับปริญญาชีวิตโยมอย่านึกนะว่าเรียนจบแล้วได้ปริญญาใบประกาศนียบัตรมันเป็นของทางโลกโลกซึ่งมันเป็นบุ ธ, ธิการศึกษา แต่วุฒิปริญญาชีวิตโทษดจบไม่เป็นนาเรียนยากก็ว่ายากง่ายก็ว่าง่ายทั้งง่ายทั้งยากมันอยู่ที่ใครคนนั้นหรือว่าใครคนนี้เราปฏิบัติอย่างไรก็ต้องดูกัน โยมยิ่งเข้าถึงธรมรมเท่าไรโยมจะแบ่งระหว่างโลกกับธรรมแต่จะมาบอกเราไม่หนีโลกแต่เราไม่ตามโลกใบนี้เราไม่ได้ขวางโลกแต่เราก็ไม่ใช่ไหลตามโลกใบนี้คำพูดเหล่านี้แสดงว่ามีจุด ตรงกลางไปไม่โอนเอียงแต่รู้ว่าดำเนินแบบไหนแต่มาจึงดูว่ามนุษย์สูงสุดทุกเกิดก็ดับทุกหิวเกิดก็ดับความหิวนั่นคือกายทุกเกิดทางใจก็พยายามดับ ทางใจบางคนเข้าใจผิดพอกลุ้มใจมากๆบอกกินเหล้าเผากลุ้มเผากลุ้มมันเผาไปถึงไหนแล้วเนะี่ยแน่ใจนะว่าเผากลุ้มอืเผาจนตับไหมเลยนะเผาจนกลุ้มมากกว่าไม่เผากลุ้มมันไม่หายหรอก นั่นไม่ใช่ทางมนุษย์พอยหิวก็ดับความหิวพอกระหายน้ำก็ดับความกระหายน้ำล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดับทุกทั้งหมดเลยและถามว่ามันใช่แค่ไหนดับทุกทางกายเราดับกันทุกวันแม้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ก็หาหมอหายาแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายนี้ไม่คงทนนานสักเท่าไหร่และร่างกายนี้มันก็เป็นบ่อของทุกข์อีกจะให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่พ้นหลอกทุกข์ร่างนี้ อาตอมาเคยตกลงกับเขามาแล้วว่าไงกายสบายดีหรือมันบอกสบายดีหลับดีไ้ยหลับดีกินดีไหมกินดีอยู่ดีไ้ยบอกอยู่ดีมีสุขไหมบอกอัตภาพตามเหตุแล้วยังไงต่อมันบอกมันบอก ในที่สุดท่านก็คุ้มครองเราไม่ได้ท่านก็ดูแลเราไม่ได้ท่านก็รักษาเราไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเพียงธาตุสี่มีลักษณะที่ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดสุดท้ายจะทนอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้อง แตกดับหรือเสื่อมสลายไปในท้ายที่สุดจะมาบอกเข้าใจแล้วเราเข้าใจท่านแล้วเราจะไม่รังท่านไว้อยู่เท่าที่อยู่นะเมื่อถึงเวลาจะไปเราก็จะไม่ยือ้อแล้วก็ไม่รู้สึกว่าท่านเป็นของเราเป็นเพียง ธาตสี่ที่เราใช้อยู่ตกลงกันอย่างนี้นะแมนบอกใช่ถูกแล้วอจบกายนี้ไม่ต้องกำหนดแล้วเข้าใจกันแล้วตกลงโอเคเรียบร้อยถึงเวลาเราไม่ยึดเขาเขาก็ไม่ยึดเราแม่สายกลางจริง เราก็ไม่ยึดเขาเขาก็ไม่ยึดเราเอา้าเมื่อถึงเวลาธาตุขันมันดับหรือธาตุขันมันแตกหรือธาตุก่อนจะแตกก็แปรปรวนก่อนเหมือนทะเลคลั่งวังน้ำวนมันจะหมุนติ้ววังโกลลมตีะจะมาเคยสองครั้งสามครั้ง ลักษณะเหมือนคนใกล้ตายเฉียบพลันครั้งหนึ่งนี้เหลืองไปหมดมองไฟเหลืองหัวใจวิววว ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, วจะขาดแล้วเว้ยทำท่าเซอมือจับผนงังแล้วก็ค่อยทุดตัวลงนั่งเอาอย่างนี้หรอือ ไม่ให้บอกไม่ให้ลาเลยหรือปะเวลามันแปรพลวนขึ้นมามันเฉียบพันจะบอกเป็นโรคโรคลมกระทันหันหัวใจวายกล้ามเนื้อไม่ทำงานอะไรแล้วแต่จะพูดไปหัวใจสุดแล้วแต่นั่นครั้งหนึ่งไม่มีใครเลยเรือการบอกแพ้ยากันสุดแล้วแต่ อีกครั้งหนึ่งเดินทุดงกาลังเดินจำปืดปื๊ดปื๊ดื๊ปื๊ลูกศิษย์ก็สาวคนใหญ่เลยยิ่งกว่าปั่นสามรอยอีกครใครถึงก่อนคนนั้นชนะเมืองประมาณนี้กันสาวคนใหญ่เลยปื๊ดปื๊ดื๊ื๊หลายโลหลายโลปืดเอาปื๊ดเอาสุดท้ายปื๊ดไปปื๊ดมา วิววไม่ใช่รถหวอมาหัวใจมันวิววิหน้าสิดตัวเติมนิโครหมดลมตีเบื้องต่ำเบื้องสูงประคองกายลำบากเอามือยันไว้นั่งแล้วครับขนาดมือค้าอยู่น่ยังโครงรู้สึกได้ว่ามันโครงเคร่งเหมือนนั่งอยู่ในเรือสมเพลน้อยๆท่ากลางทะเลใหญ่ สมบัติสํานวนดีนะเนี่ยโครงใบโครงมาลูกศิษย์ก็โบกัดใหญ่พระจย์ดมยาดมดมไปตะมานึกขายขี่หน้าทุดงแค่เป็นลมนี่ใหญ่ใครรู้เด็ดขาดเลยนะอายก็ตายเลยแม่ทับทำดันจะเป็นลมเลยตะมาบกเสียความรู้สึกตั้งแต่นั้นไม่เอาละ ไม่เดินเลยไม่เดิออีกครั้งหนึ่งอยู่บนเครื่องบินอัด น, นียาตายที่สูงเป็นลักษณะวิวเหมือนกันโยมมันจะขาดหวัวใจตัวนี้โครงหมดหอ้ออเอืองหมดแต่มานิ่งละตัวโครงรู้อยู่แต่มือเกาะแขนยึดทั้งสอง หลับตาตั้งสติมันโครงก็โครงดูจิตอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่เราวางจิตตรงนั้นเสียนั่นเป็นอาการให้เราได้สัมผัสกับธาตุขันก่อนว่าเขาเตือนเรามาหลายครั้งแต่ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็เตือนมาเรื่อย ตมาบอกเข้าใจท่านแล้ววันที่ท่านจะจากก็ไปแล้วเราไม่ยื้อไว้หรอกท่านอยู่ด้วยความไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดสุดท้ายก็มีสภาพทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้ตมากำหนดเลยสุดท้ายมีสภาพทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้ บีบคั้นมากท่าดคันที่สุดมันแตกหรือดับไอ้เสื่อมมันเสื่อมทุกวันอยู่แล้ววัยะธรรมาสังขาราตีนกานี่ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกาบินมานะไม่ได้กาบินมาเกาะหลังคานะมันก็มาแล้วล่ะรู้แล้ว ตกลงเข้าใจแล้วทีนี้ก็เหลือจิตตัวเดียวตกลงข้างนอกเรียบร้อยแล้วโยไม่ทะเลาะแล้วเขาบอกอนี่มนผ่านไดอาการสามสบสองธาตุสี่พานกำหนดจิตภายในจิตตรงนี้ภายในจิตมีอะไร เราก็เฝ้าดูจิตปรุงแต่งยังไงจิตอารมณ์จรเข้ามาเกิดอย่างไรจิตลึกๆฝังอยู่กับสิ่งไหนค้นหาให้หมดคน้นวันนี้ค้นจิตค้นหาจิตกิเลสอยู่ตรงไหน โลภอยู่ตรงไหนโกรธอยู่ตรงไหนขับแค้นอยู่ตรงไหนเสียใจอยู่ตรงไหนหาให้เจอให้หมดหาสิโยมถ้ายมไม่หาเนะี่ยโยมก็ไม่รู้จักแล้วก็กําหนดไม่ได้อันดมาก็หาสิโยมนั่งดูจิตวันคืนผ่านไปแตมาไม่ได้สนนาฬิกา ไม่ได้สนดวงทิศดวงจันทร์ไม่ได้สนเรื่องข้างนอกเลยดูข้างในไก่กกไข่สัตว์ท้องแก่ใกล้คลอดใกล้ฟักมักกัหาที่หลบเพื่อจะฟักไข่เพื่อจะกกไข่หรือเพื่อจะคลอดออกมาลักษณะ จ, จิต เหมือนกันเราก็ต้องกกมันถ้าโยมไม่กกเวนจะามาบอกไม่ต่อเนื่องไม่ได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าหกพันสาทมทุกวันทุกคืนทุกเวลาหกปีของพระพุทธเจ้าปฏิบัติยี่บสี่ชั่วโมงคูณหกปีชัดไหม ของเราอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันสามชั่วโมงครึ่งปัโถ่ร้อยปียังสู้หนึ่งพรรษาของพระองค์ไม่ได้เลยเห็นไหมถ้านับชั่วโมงปฏิบัติของเรานี่มัวแต่มาหลับมาดื่มมาอาบมาเคี่ยวมากินมาขับมาถ่ายทำการทำงานแล้วก็เดินทางอีกโอ้โหชีวิต วันหนึ่งมันจะเหลืออะไรแล้วบางครั้งก็ติดลบอีกนะติดลบทำไมติดลบก็สร้างบาปอีกไงหรือใจนั้นวน ม, มองเศร้ามองหรือเกิดอกุศลแต่พระพุทธเจ้าหกปีโยมวันย4ิบสี่ช่วงโยมคูณดิร้อยวัน ก็ตั้งสองพันสี่แล้วคูณไม่ได้แค่ร้อยวันปีนึงตั้งสามร้อยหกสิบห้าอย่าคิดบวกชั่วโมงไปนี่โอ้พวกเรานี่ไม่ได้ใกลเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัต ต่อเนื่องตลอดของพวกเรานี้ถึงก็ฉังไม่ถึงก็จังฉุกกะชักไม่ชุกกะชักถึงก็ฉังไม่ถึงก็ฉังปะ่ะเป็นขบวนหวานเย็นเจ้าค่ะจอดทุกป้ายเลยโยมชิมไปหมดกินไปทุกๆเรื่องเลยดีไม่ดีแวะเที่ยวเฉ อ, อีก พอจะโพล่มันกี่ชาติก็ไม่รู้ดังนั้นพวกเราต้องสืบต่อต่อเนื่องกกไข่ถ้าไม่อย่างนั้นจะมาบอกอีกนานทำไมอะไรที่ดูไม่นิ่งย ม, มันชัดไหมอะไรที่ไม่พิจารณายมม่เห็นคำว่ารายละเอียดไหม ไม่เห็นเออนี่แหละที่เราให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ดูให้มันชัดๆจะๆจะๆ จ, จ, จ, จ, จ, จนถึงว่าแจ่มแจ้งดูจะๆแล้วก็แจ่มแจ้งแล้วจะเข้าถึงธรรมะความจริงไม่ใช่แต่ความจำจำเดี๋ยวก็ลืมจริงไม่มีํรว่าลืม ดูตรงนี้ตมาก็เข้าไปนั่งดูจิตเหมือนกกไข่ไปมันกำงูเฝ้าไข่เนาะเฝ้าเลยเฝ้าดูไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองสามสี่ห้าหกผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจ็ดแปดเก้าสิบ วันคืนผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไมจะไม่รู้นั่งดูอยู่เอาสติคอยระมัดระวังเฝ้าอยู่จิตเนี่ยจะปรุงยังไงนั่งรู้อยู่วันนี้เองจะปรุงอะไรตายที่เห็นรูปเป็นไงรูปสวยรูปไม่สวยเองปรุงยังไงข้านั่งดูเองอยู่เห็นมันอยู่ตอนเนี้ จะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรสติระลึกรู้อยู่ไม่ได้ไหลาตามเลยดูดูพฤติกรรมของจิตสันหน่อยไม่ชอบโกรธเกลียดเครียดแค้นเกิดตอนไหนอารมณ์ไหนบอกเออนั่งดูมันไปเห็นหมดทุกอย่างเอาอยัางไงเอาอยัางไงโกรธยังมีโลภยังมีหลงยังมียึดติดยังมีอยู่ทำยังไง ทำอย่างไรหรือทำอย่างไงพิจารณาพิจารณาโยมกำหนดจิตล้วนๆไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องอื่นเลยดูจิตนี่แหละมันจะโกรธตอนไหน มันจะเกิดกุศลตอนไหนเกิดกุศลตอนไหน ด, ดูดูให้รู้มองให้เห็นสภาวะนี้เกิดเพราะอะไรกําหนดเอาเหตุเอาผลมากําหนดแล้วมันเกิดและดับอย่างไรเอาเหตุเอาผลมากําหนด คำเหล่านี้ที่จะมาแสดงอยู่ถ้าจริงๆมันจะนิ่งมันจะนิ่งใจมันไม่คนตรงนั้นมันจะนิ่งดูไปเอาว่าอย่างน้อยอารมณ์ชาญหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดสบายนั่งดูต่อให้ถอนออกมาเนี่ยนะรูปกายถอนออกมา กำลังเดินนั่งฉันนะ้ำอากับกิริยาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่ใจนั้นยังมีชาญหล่อเลี้ยงอยู่นาดูจิตไปเราว่าเราสงบดีอยูอย่มีทรเลขเข้ามาตกๆๆๆด่วนจากญี่ปุ่นจีแปนมาแล้วอยู่เขาว่าไงเนี่ย อีกไม่กี่วันใช่นาทมาของเราจีนอีกแล้วเลยเนะี่ยไม่กี่วันมาจากอกโอ้โหอังกฤษข่าวสารที่โยมรับสติตั้งยังไงจิตของเรานั้นปรุงแต่งยึด ลุ่มหลงปล่อยวางแค่ไหนยมต้องรู้เองถ้าเราไปรับสื่อมากๆข้างนอกยมต้องดูจิตให้ดีก่อนว่าอะไรที่เรารับเข้ามาเหมือนที่พูะเจ้าตรัสไว้ถ้าเราจับไม่ดียากขายยังบาดมือนะ ไม่ต้องพูดถึงมีดนะแค่ยากายังบาดมือได้นะโยมเชื่อไหมต้นไผ่ไผ่เนี่ยโ ย, นะยมจับให้ดีนะจับไม่ดีไม่รู้ถูกบาดต้นไหนแต่มายังเคยโดนเอา้านี่เลือดมาจากไหนไปโดนเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยถ้าไม่เห็นเลือดยังไม่รู้ว่าโดนแล้วเมื่อกี้เนี่ย เออ ม, มันเร็วขนาดนั้นเลยเหมือนกันฉะนั้นถึงบอกเวลาเขาดูจิตจริงๆเขาบอกปิดประตูตีแมวโยมจะไปทำตีแมวจริงตมาเป็นบาปนะนี่เป็นความหมายอัตรมานนะไม่ใช่บอกพระอาจารย์โยมตีแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วขาที่เลยโอ้โหโยมบาปตายนะ ปิดประตูตีแมวหมายถึงว่าในไม่ออกนอกไม่เข้าเฝ้าดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอนจะยืนเดินนั่งนอนหมดจากความอะไรอาวอนทุกอย่างหมดจากความกังวลทุกๆเรื่องหมดจากสิ่งที่ขัดเคืองใจทั้งหมดทั้งสิ้นคืนเข้าไปหมด แต่มาจะไม่แบกใครพอถึงจุดหนึ่งพูดอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคำว่าไม่แบกพอถึงเวลาหนึ่งสัมภาระยมต้องวางใช่ไหมยมแบกมาตลอดทางพอถึงที่หมายยมยังแบกไหมโอ้ถ้าแบกก็เชิญแบกไปคนเดียวเถอะอาจจะมาวางแล้วแล้วถามว่าแบกไปทาไม แล้วก็เดี๋ยวสักครู่บอกหนักก็วางสิฮะวางไม่ได้มันหนักก็วางสิฮะวางไม่ได้น่กเออก็แบกสิไม่สอนให้วางก็สอนให้แบกสิเมื่อถึงจุดหมายเราจะรู้ถึงเวลานั้นวาเหมือนเรือเทียบท่า ยมก็ต้องถ้าเป็นเรือใหญ่ก็ทอดสมอไมเพื่อยึดไว้ไม่ให้ไปตามคลื่นที่ออกจากฝั่งได้แล้วก็ผู้โดยสารก็ต้องลงจากเรือลำนั้นไม่ใช่พอถึงท่าแล้วก็บอกฉันไม่ลงอะ่ะจะนั่งเรือจนตายเรอเรือมีหน้าที่เหมือนกับ พาเราไปที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งมันรถพาเราจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งก็แค่นี้จะยี่ห้ออะไรก็โหมุตมาจะเอารถเป็นทั้งห้องน้ำห้องส่วมเป็นบ้านเลยนี่มันก็กระไรอยู่ใช่หัหยเออพอเข้าใจรู้แล้วพอถึงเวลาธรรมมาบอกยึด หรือไม่ยึดค่าก็เท่ากันที่สุดเอาไปไม่ได้สุดท้ายไม่ใช่ของใครมนุษย์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายฟังแล้วน่าสงสารนะมนุษย์ที่สุดก็คือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย แต่พอหลงก็ฆ่ากันแบ่งฝักแบ่งฝา่งฝายทำล้ายกันทํามาบอกเออให้จิตสูงกว่านี้อีกหน่อยหัวใจความเป็นมนุษย์ยมจะเข้าถึงเองแต่วันนี้ปิดประตูตีแมวไปถึงไหนแล้วอ้าวเฝ้าดูให้ดีนะดูดีๆ สมาดูอยู่หลายเดือนติดติดติดต่อ ต, ต่อต่อกันเลยนะเหมือนต่อจิ๊กซอว์อย่าให้มีจุดดูไปเรื่อยจนจิตเกิดขโม่ตัวรู้ขึ้นมาเริ่มต้นอาจจะรู้จากการคิด พิจารณาตรีตรองไปเรื่อยๆเพราะถึงจุดหนึ่งจุดนี้ต้องสงบนะแล้วสิ่งที่รู้ไม่ใช่รู้จากที่พูดข้างตนมันรู้จากคมายา น, นะคือตัวสภาพรู้ที่เกิดขึ้นจากคมายานเกิดจากภายในไม่ใช่ภายนอกเกิดจาก ตัวรู้ที่ได้รู้ถึงความจริงที่ได้พิจารณาแล้วแล้วจิตภายในนั้นมันคือตัวที่เกิดยานขึ้นมาโยไม่ต้องอยากให้เกิดถ้าอยากเกิดจะไม่เกิดไม่อยากเกิดใช่ว่าจะไม่เกิดทุกอย่างมันจะมีเหตุ มันโยมเอาเอาไม้กับไม้สีกันถ้าเป็นไม้ที่มันติดไฟได้มันจึงติดแต่ถ้าไม้ชนิดที่สีแล้วไฟติดไม่ได้สีไม่เถอะมันไม่ติดมันก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติ ถ, ถูกจิตตรงนั้นไหมถูกสภาวะทำไหมนี่หลักสำคัญ สมาไม่สงสัยดูไปเรื่อยสุดท้ายเรารู้แล้วจิตเวลาวางเป็นอย่างนี้อารมณ์จิตสงบเป็นอย่างนี้จิตสมาธิตั้งมั่นเป็นแบบนี้เแต่ทั้งหมดมันเป็นเพียงสภาวะจิตเท่านั้นไม่มีอะไรต้องยึดแต่ทุกอย่างมันเป็น ตามเหตุที่เราได้ปฏิบัติสภาวะจิตนั้นก็เกิดตามธรรมเท่านั้นฟังให้เข้าใจนะเกิดตามธรรมเท่านั้นไม่ใช่เกิดตามเรานะพวกเราผิดตรงนี้เองพระราชก็ตรงว่าเกิดตามเราไม่ใช่เกิดตามธรรมเท่านั้นไม่ใช่เกิดตามใจเรานะธะราจรึงบอก ไม่ใช่เกิดตามธรรมพอเกิดตามธรรมแล้วตัวตนเนี่ยเราจะมองเห็นว่าตัวเราเราจะรู้รู้ถึงคำว่าอนุสัยใจนอนเนื่องรู้คาว่าอนุสัยใจนอนเนื่อง ขันธ์สันดานคุณเครื่องอยู่สิ่งใดอุปทานรูปนามขัน์มั่นหมายยึดติดอยู่กับนรกในขุมใดใจตรงนี้แหละมันจะดับให้ดับทุกข์ดับโศกสุดยอดตรงนี้ดับทุกข์ดับโศก หยุดเรื่องราววิปรโยกร่ำร่าำพันทั้งหมดโยมก็เห็นบทของนางตปัจจลาแล้วสุดท้ายนางก็ไม่เสียใจอีกเลยทั้งที่ใจนั้นเคยเสียมาแล้วอะไรจะแตกมันก็แตก โยมไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาว่าสิ่งนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้สิ่งนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเราควบคุมโลกแบ่ น, นี้ไม่ได้หมดแผ่นดินจะไหวประเทศใดในปีนี้โยมจะไปห้ามไหม พายุโหมกระหนำ่ำในประเทศหนึ่งประเทศใดในปีนี้โยมไปเยินขวางได้ไหมฉันได้ชีวิตมนุษย์ผู้มีกรรมเป็นเงาตัวอยู่นะมันก็เป็นไปตามวิถีของ สัตว์ชีวิตน้อยใหญ่ธรรมะจึงบอกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่สงสัยแล้วตอนนี้บอกจริงๆนะใครท้าต่อยธรรมะไม่ต่อยไม่สู้แต่ท ร, รมากลัวไหมไม่กลัวพ่อสอนไหมเกิดเป็นคนอย่ากลัวคนลูกไม่กลัว แต่เราไม่สนองกิเลส ข, ของตัวตนตรงนี้ก็คือไม่รับคำท้าไม่ยอมต่อสู้ทำไมต้องสร้างภูมิให้มันยาวอีกจบได้ก็จบเสียคุณค่าเราวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ถูกฆ่า เราตายก่อนวันนี้อีกไม่กี่วันกี่นาทีคุณก็ตายตามโถไม่เห็นแข่งตรงไหนเลยไหนใครเก่งเกิน200รอปีบ้างมีไหมไหนใครนั่งถึงสองรอปีแล้วยกมือขึ้นใครที่ฟังอยู่อายุถึงสองรอปีที่เก่งอยู่ยกมือขึ้น ยกก็ไม่ขึ้นหรอกถ้าอยู่เนี่ยไม่ขึ้นหรอกสุดท้ายมันเป็นแรงกรรมกลับมาสูต่ตัวเองเพราะเรามองจิตเป็นเห็นจิตรู้จิตภายในจิตจะมาบอกโยมจะเห็นเขาเรียกแว่นส่องธรรมหรือตาเห็นธรรม ตาเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอยู่ข้างนอกเห็นอยู่ข้างในน้ออัญญาวัตโพโกฏัญโยอัญญาวัตโพโกฏัญโยอัญญโพทัญญเป็นผู้เห็นหนอเห็นนอเห็นหนอจริงๆเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนานแล้วแต่เห็นอยู่ด้วยตาข้างนอกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอัญญาวัตโพโกฏัญโยพอเห็นข้างในพระุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาวัตโพโกฏัญโย นั่นแหละพระอริยะเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เข้าถึงภูมิธรรมจิตของอริยะขั้นโสดาปติพลเกิดแล้วถึงบอกยิ่งดูไปรู้ไปดูไปรู้ไปถ้ามาบอกถ้าจิตของใครยังไม่ถึงฝั่ง สิ่งสำคัญอย่าทิ้งคำว่าบุญกุศลทำไปก่อนอย่างน้อยกระตุ้นเตือนจิตสร้างบารมียกชีวิตให้สูงขึ้นเพราะว่าบุญนี่แหละจะนำพาเราไปทำมาไปไหนโยมวันนี้โยมดูโมนสเสียเงินเสียทองโถ่แต่ให้โยมมีเงินมีทองโยมเอาไปได้ไหมถามจิ๊ ถามจริงๆตอบให้จริงนี่ออกไปไม่ได้อย่างดีก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อไปซื้อมาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วจะนอนที่ไหนเนี่ยซื้อไปด้วยแล้วจะซื้ออะไรอีกซ้าๆซากๆคิดเป็นแค่นี้นะเอองั้นก็บูชาวัตถุไปแล้วกัน และดูซิว่าจิตนี้มันจะดับทุกได้ไหมมันจะพ้นทุกไหมดูสิดูสิวประจัน์สวยเด่นไหมดูไดูใจของเรามันใสตอนดูดวงจันไหมย ตมาผู้เลยยอมห้ามอิจฉาตมานะออบอกก่อนเมื่อหลายเดือนก่อนตอมานั่งโอ้โหดูดไอสุลิยันออดูดไอจันทราแมอากาศเย็นสบายดวงจันทร์ก็นวลนก็ น, น, นั่งอยู่กลางสนามกบนโคตหินโอ้โหสุดยอดสุดยอด ฉัไม่บอกสุดยอดกูกายกับใจนี่มันปรับกันก็เรียกสมุติมันลงตัวไงไม่รู้แม่มันสมมทติจริงๆเบากายเบาใจชีวิตอยากจะลอยได้โลกใบนี้มันมีแต่ของหนักทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่ที่นั่งโขดหินแล้วหินกันนะ่ะ แต่ตอนนี้สบายทำไมไปนั่งดูดไอของจันทราดูดความเย็นจะมาไม่ใช่เล่นอาถรรพ์ในโยมที่พูดนะดูดความเย็นความเย็นตรงไหนเอาความเย็นที่ดวงจันยามราตรี อากาศยามค่ำคืนมีแสงสว่างนุ่นๆแต่มาว่าเวลานี้มันพอดีกับเราใจมันรู้สึกอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติใครไร้คือธรรมชาติตรงนี้คืออยากจะสัมผัสกับธรรมชาติจุดที่ทํามานั่งตรงนี้แม่สบาย บวกกับกจิตของเราพอสว่างสวัยขึ้นมาอีกหน่อยมันก็โหมันก็นั่งแบบสบายเบานวนผ่องใสขึ้นเป็นอายุวัฒนะไม่ได้พลเล่นทำให้อายุยืนเป็นอายุวัฒนะ สบายเป็นอายุวัฒนาพอเราทำตรงนี้เราเข้าไปสู่ธรรมชาติของจิตทุกอย่างคืนเขาหมดเลยยกเว้นเสื้อผ้าที่ห่ออยู่นะสบายคือไม่มีของหนักเลย ไม่แบกไม่หยิบช่วยเอาของหนักที่บอกพาราหาเวของหนักเราไม่หยิบช่วยแล้วสบายแล้วที่บอกสบายคือจิตเข้าไปสัมผัสกับธรรมะที่เป็นธรรมชาติไม่มีโลภโกรธลงคนจะเป็นเทวดาไม่ได้ยากเลยตอนนั้นตัมมาบอก ภูมิเทวดาก็ไม่ได้สูงกว่าเราตอนนั้นดี่ไม่ดีภูมิของเราสูงกว่าที่อีกตอนนั้นเพราะสุดท้ายเราก็ดับกิเลสในที่สุดว่าเออโลกใบนี้กำลังสอนให้เราได้มองเห็นสัจจชีวิตว่าเรา ไม่ควรหลงกับสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกใบนี้พอกําหนดตัวนี้ได้แล้วปล่อยให้จิตว่างวางแล้วก็ว่างต้องวางก่อนและจึงว่างต้องหยุดวุ่นก่อนถึงสงบพอสงบเสร็จแล้วถึงวางพอวางเสร็จแล้วถึงว่างพอว่างเสร็จอันนั้นปัญญาอันสูงสุด จะเกิดจิตอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นสุธิตรงนี้วิสุทธิจิตพอภาวนาเข้าใจเราดูจิตไปเรื่อยๆอย่าหวั่นไหวในเสียงโลกใบนี้อย่าหวั่นไหวในการสัมผัสในโลกใบนี้ เตือนตนตลอดยาวันไวสิ่งที่เรารู้อยู่ในรอบกายชีวิตจิตนี่อย่าไปหลงอย่าไปติดมันพยมเข้าใจได้ธรรมบอกธรรมะของพระพุทธเจ้าขั้นสูงสุดคือคำว่าปัญญานำพาจิตนี่แหละ ไปสู่สุขติจนถึงความพ้นทุกข์ในท้ายที่สุดจริงๆก็มีวิธีหลายวิธีด้วยกันการภาวนาทั้งผู้ใหม่และผู้เก่าแต่อุปสรรคส่วนมากจะเจอตรงที่ว่าเกิดเวทนาขึ้นและกับการว่งเหาๆนอน หรือความเพียรไม่พอก็ทำให้เกิดความย่อท้อต่อการปฏิบัติริงมรรคผลเนี่ยเกิดได้ช้าไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดแต่เกิดได้ช้าดังนั้นสิ่งจำเป็นของการภาวนาปฏิบัติ เราก็ทราบว่าเรื่องว่ า, วาดูกายดูจิตเราเข้าใจว่าดูกายดูจิตแต่จริงๆเหมือนการนั่งสมาธิบางคนจัดกายยังไม่เป็นเลยจัดไม่เป็นมันก็เราไม่ได้พิจารณากายว่ากายเรานั่งอยู่ลักษณะไหนเราไม่รู้ เริ่มต้นกับจบไปคนละแบบบางคนเริ่มต้นนั่งตรงพอจบนี้พับไปกับพื้นก็มีคือหลับบางคนนั่งไปนั่งมาเทเอียงไปเหมือนกระจะล้มไปด้านข้างด้านหน้าด้านหลังหรือคอนี้ตกก้มจนแบบเหมือนกระดูกคอนี้โคดงอลงไปแล้ว ฉะนั้นต้องจัดวิธีปฏิบัติเอาสติประคองดูกายเอาสติดูกายแล้วก็เห็นกายว่ากายนั่งลักษณะไหนพิจารณาก่อนเอาของหยับๆยาที่จับได้ต้องได้สัมผัสได้เราดูที่ว่าเราประคองอยู่ได้ขนาดไหน 10นาทียี่สิบสสบสี่สิบห้าสหรือมากกว่านั้นก็ดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตั้งแบบไหนทำความรู้สึกกายเรายังตั้งอยู่ลักษณะเดิมไหมโยมนึกหัหยเอาไม้ไผ่ถ้าปักอยู่กับคีเลน ดินมันอ่อนโยบยาบเดี๋ยวไม้มันก็ค่อยเอียงแต่ถ้าใช้เป็นตอกเข็มมั่นคงปึกปึกเหมือนผ่านขี้เลนเหมือนกันแต่อย่างลึกลงไปอีกมันก็จะมีแรงดูดแล้วก็ตั้งไม่เอน็นไม่เอียงไม่เทไม่ไหลไม่สับไม่พงงบด้วยลักษณะเดียวกัน ท่นั้นถ้าโยมเอาแค่ผิวเผินพอปักปุ๊บ ก, ก็ปล่อยเลยมันจะเทเอียงใครก็เป็นอย่างเงี้ยจะมาก็เป็นใหม่ๆก็เหมือนกันผะบอกไม่ใช่ท่านนั่งอย่างนี้ไม่ใช่ประคองสติเขาเรียกนั่งปล่อยสติบางคนก็รู้แต่รู้แบบเครือบเคลิ้มเขาเรียกรู้แบบเกิดนิวรณ์ไม่ใช่สติท่นั้น ต้องตั้งให้ดีตั้งจนรู้ว่ากายลดตั้งยังไงลืมตาก็รู้ว่าเราอยู่ลักษณะไหนก็เรียกตั้งให้มันกายนี้จัดตั้งพอเราสติประคองกายได้ไม่ไหลเราตั้งได้สติเราประคองกายรู้แล้วว่ากายอยู่อย่างเนี้ยลืมตาเราก็ค่อยหลีดูได้เราตั้ง จะไม่เพลิเพพอเราทากายได้สติประคองได้กำหนดรูปกายได้โยไม่ต้องไปสนศัพท์ภาษาธรรมะมากมายบางทีหลายครูบาอาจารย์ก็พูดเส้นแบบอะไรก็หลงไปหมดบางทีก็ไม่ใช่เอาสติประคองพอเรารู้เสร็จกำหนดเรารู้ว่าเออสติเราประคองกายอยู่ ไหนลองกำหนดลึกเข้าไปทำความรู้สึกอยู่ภายในพอเราฝึกช่ำชองกายจะตั้งได้เหมือนตอกเข็มมาแล้วทีนี้จะสร้างบ้านทับกี่ชั้นก็สร้างไปลักษณะเดียวกันใช้สติประคองให้หิมะเออเราเริ่มจับมีสติไปในกายรู้กายแล้วเราตั้งได้แล้วกายจริงกายไม่เที่ยงเรารู้ แต่อาศัยกายนี้อยู่อย่าปฏิเสธว่าเราต้องอาศัยเขาดื่มเคี้ยวอาบกินก็กายทั้งนั้นแหละไปไหนมาไหนทำอะไรก็กายถ้าเป็นผู้ทาแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือใจตรงนี้มันมีทุกข์และทุกข์ดับเลยอย่างเราคือไปอีกขั้ น, นทุกข์ที่มีทุกข์ดับได้ไห ถ้าดับไม่ได้ทําไมจึงดับไม่ได้เพราะอะไรโยมต้องหาเหตุจนถึงที่สุดโยมต้องยอมรับว่าเราต้องดับทุกข์นั่นคือปัญญาแล้วพูดสั้นๆแค่นี้พอเหมือนเราทุกข์กับสิ่งนี้และโยมบอกท่านละไม่ได้ท่นละไม่ได้ไไดชีวิตทั้งชีวิตโยมก็ทุกข์กับมันตลอดไปไปบูชามันทําไมกับความทุกข์มันจะมีค่าอะไร มันก็ไม่เท่ากับใจที่ยังเป็นทุกข์อยู่โยมต้องกล้าที่จะออกและสละสิ่งนั้นหรือหาวิธีให้สิ่งนั้นมันสงบดับลงเราก็เริ่มฝึกจิตทีเริ่มตั้งแต่ทำให้จิตนิ่งเป็นสมาธิจิตสงบจิตละจิตวางจนถึงจิตไม่โกรธไม่โลภไม่ลงดูไปเรื่อยๆคอยๆกำหนดดูจิตไปจิตมันเป็นสัมภาวะ สุทธตสังสนิปุณังยถตกรรมะนิปาติังจิตังระเขธะเมธาวีจิตังคุทังสุขาวหังพรเจ้าแสดงว่าจิต เ, เป็นสภาวะที่ละเอียดยิ่งนักมักใยไปในอารมณ์ตามที่ใคร่ะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงป้องกันจิตนี้ไว้ให้ดีเมื่อป้องกันจิตนี้ดีแล้วจะนำสุขมาให้เมธาวีจะนาสุขมาให้ แล้่อเราป้องกันคุ้มครองจิตนี้แล้วจะนำสุขมาให้เห็นว่าต้องป้องกันคุ้มครองจิตนี้ด้วยเพราะมักใยไปในอารมณ์ตามที่ใครเห็นไหมต้องประคองจิตดูดูจิตประคองจิตรู้จิตประคองจิตไปเรื่อยๆพอโยมได้ตรงนี้แล้ว เราจะรู้วันไหวเรารู้วันไหวเพราะอะไรโยมต้องรีบหาปัญญามาสงบระงับจนถึงปัญญาวิมุตติสุขดับทุกข์ได้แต่ปัญญาโลกีสุขมันแค่แก้ปัญหาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ดับทุกข์เข้าใจนะปัญญาของมนุษย์คือแก้ปัญหา แต่ไม่ใช่ดับทุกยมไปแยกแยะดูคำนี้ไม่ธรรมดานะมนุษย์มีปัญญาไว้แก้ปัญหายอะแยะปัญหามากมายแก้แต่แก้ไม่มีกับมาจบสักทีหนึ่งนั่นคือปัญญาโลกียะไม่ใช่ปัญญาที่ดับทุกข์ได้อย่างแ ท, ท้จริงสำคัญตรงนี้ ยิ่งภาวนาไปยิ่งรู้จิตไปยิ่งรู้จิตไปการภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องเกิดมาวันหนึ่งโยมจะถามโอ้พระเจ้าเนี่ยทำไมต้องให้อีหันเกิดมาเนี่ยแล้วเกิดมาเพื่ออะไร โศกเศร้าดีใจเสียใจหัวเราะร้องให้ร่ํารวยจากไปแค่นี้หรือที่สุดยมจะเห็นว่าไม่ใช่สาระไม่ใช่เกณฑสารไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังพายายามอยู่ไม่ใช่วันหนึ่งพอยมเข้าถึงปุ๊บเคยได้ยิงหัวเราะเสร็จก็ร้องให้บอกทําไมจึงหัวเราะบอกดีใจที่ได้พบแล้วทําไมต้องร้องให้ พอรู้ว่าอีกหน่อยเธอต้องตายสาทุใช่ดีใจที่ได้เจอเสียใจเมื่อยามจากความพัดพรากเป็นเช่นนี้หนอเราก็เป็นเช่นนี้ใครก็เป็นเช่นนี้ทุกทุกคนก็เป็นเช่นนี้ตถตตาจริงหนอเราและโยมล่ะ ยังสับสนวุ่นวายกับจิตของเราที่เรายังไม่มั่นคงหรือเปล่าทำให้ดีดูจิตให้ได้สุดท้ายเราจะเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติรูปแบบเยอะแยะเหมือนการใช้อาวุธถนัดมีดก็ได้ถนัดขวานก็ได้ถนัดเหล็กขุดชาบก็ได้แล้วแต่จะพูดไม่ะจะเอาซามูไรก็ได้ดาบก็ได้กระบี่ก็ได้แล้วแต่จะเรียกเอา สุดท้ายก็คืออาวุธในการฆ่าแต่เราจะใช้อาวุธคือปัญญาในการดับทุกข์วิธีไหนก็ได้และแต่ยู่ทำให้กับจิตดวงนี้ดับทุกข์ได้เมื่อไหร่โยมก็ไม่ทุกข์อีกเลยแล้วเราก็ไม่เชอยินดีกับความเกิดนี้สักเท่าไหร่พอเรารู้ความจริงแล้วเราอยากจะสงบมัน เหมือนพระพุทธเจ้าไม่ยินดีกับความเกิดอีกเลยแม้ชีวิตที่ยังมีอยู่เกิดแล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ยินดีติดอยู่กับสิ่งที่มีอีกเลยสุดยอดจริงๆเป็นการพิสูจนมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจริงๆ แล้วก็พิสูจน์โดยธรรมเห็นไหมาละะ้ <_ C ourse> ก็สมควรเวลาายัดยมพยายามน้อมจิตไปสู่ธรรมให้เยอะพิจา ร, รณาธรรมตั้งสติกำหนดดูกายของที่เห็นจับต้องได้ประคองให้ได้แล้วมากำหนดภายในที่ละเอียดคือสภาวะจิตจนถึงจิตภายในที่เรารู้จักธรรมะ และรู้จักปัญญาที่จะดับกิเลสน้อยใหญ่ก็ขอจงได้รับความสุขทุกคนทธอน